มรสการหลวงพ่อครับตื่นเต้นท่นี่คือรูปลงความกล้ามากเลยที่ขึ้นมาคือผมมาบังเอิญเข้ามาในขับเท้าเมื่อสองสามวันที่แล้วแล้วก็บังเอิญมาเจอหลวงพ่อพอดีแล้วมัน้นแบบเหมือนประจมหมอนะเหมือนแบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบมันมันเชื่อในในในในสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะฮะมันรู้สึกว่าศรัทธาแต่เพเอิญไอความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันมันยังไม่ไม่ได้ไปเข้าเข้าใจถึงจุดนั้นนะฮะทีนี้ก็จากที่ฟังมาสองสามวันเนี่ย ก็จับใจความเลยว่าเหมือนร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยไอ้ขันห้าใช่ไหมฮะทมีรูปมีไอ้ความคิดอะไรต่างๆนาน า, นานเนี่ย<อ><ะ>แต่ทีนี้พอหลวงพ่อพูดถึงเรื่องตัวรู้เนี่ยฮะผมก็แบบคือผมอยากจะรู้นะว่าตัวรู้มันมันเป็นยังไงฮะคือตอนนี้มันเหมือนว่าเหมือนถูกไอ้พวกไอ้พวกสังขารต่างๆนนเนี่ยให้ให้บอกตัวเราตลอดว่ามันมีตัวเราอะฮะและ้ว<อ><ะ>คือผมอยากจะแบบว่าให้แบบมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากจะแบบมีความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ว่าหลวงพ่อเข้าใจคําถามผมไหมถามแบบนี้หลวงพ่อชอบมากเลยเพราะว่ามีหลายคนที่เขาก็ไม่เข้าใจเนาะแต่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ทีนี้ถ้าไม่ถามเนี่ยมันค้นพบแบบนี้บางทีมันยากหลวงพ่อก็คืออาจจ ะ, ะเหมือนกับยกตัวอย่างบางอย่างประกอบเพื่อที่จะให้พอเป็นแนวทางให้เข้าใจเนา ะ, ะเดี๋ยวเร่องนี้หลวงพ่อจะยกตัวอย่างเนา ะ, อะตอนนี้ปัจจุบันนี้เนาะโยมโ ย, ยมตอบคำถามมาเรื่อยๆนะที่หลวงพ่อถามเนาะ โยมอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่อย่างไรอยู่ที่บ้านครับอยู่ในห้องหรือนอกห้องอยู่ในห้องครับอยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวครับโอเคนะอยู่คนเดียวนะเออโยมเอาเป็นปัจจุบันเลยนะไม่ต้องใช้สมองคิดมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าให้เห็นตามที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็คือว่าเราอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยนะก็หมายความว่านี่แสดงว่ามันมีห้องเนาะห้องเนี่ยก็คือคนอื่นไม่มีซึ่งรู้ได้อยู่แล้วว่าไม่มีคนอื่น แต่ขณา ID เดียวกันก็รู้ได้ว่ามีเราอยู่คนเดียวไอ้ตอนที่รู้ว่ามีเราอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกรู้ว่ารู้ว่ามีเราอยู่คนเดียวแล้วทีนี้หลวงพ่อก็จะบอกว่าอ๋อนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แสดงว่ามันต้องมีผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้ไม่มีวันที่จะรู้ได้ว่ามีเราอยู่ในห้อง ทีนี้หลวงพ่อให้เปรียบเทียบอย่างนี้เพื่อประกอบนะลงโยมลองมองไปที่ผนังเนี่ยผนังของห้องอ่ะนะเห็นไหมเห็นผนังไหมเห็นครับเห็นนะเห็นนะพอเห็นผนังเนี่ยแล้วก็ตัวโยมกับผนังเนี่ยอยู่ห่างกันสักกี่เมตรได้เท่าไหร่สักสี่เมตรได้ครับผมสักสี่เมตรนะเห็นได้ไหมว่าผนังก็เป็นสิ่งที่ที่เรามองเห็นอยู่อ่าครับเห็นครับผมโอเคนะ แล้วก็มันมีช่องว่างระหว่างผนังกับตัวเราใช่ไหมประมาณหนึ่งเมตรหรือกี่เมตรนะสี<ม>่เมตรฮะเข้าใจเข้าใจระยะห่างเนาะความว่างเนาะครับอ่าแล้วก็มีตัวเราอ่าพอมีตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยลองดูซิว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้หรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะใช้คําว่างไงดีนะเอาทวนใหม่นะมีผนังห้องแล้วก็มีตัวเรา แล้ว ผ, ผนังห้องกับตัวเราเนี่ยมันมีระยะห่างอยู่นะมีระยะห่างแล้วก็ตัวเรายืนนั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้ขณะปัจจุบันเนียมันจะมีสัจธรรมแท้ซึ่งไม่ปรากฏตัวมันรู้ตัวเราได้ว่าเราเนี่ยอยู่ในห้องห่างจากผนังเท่าไหร่แต่มันไม่ได้บอกตัวเลขแต่หมายความว่ามันรู้ตัวเราก็แล้วกันรู้ว่าเราอยู่ในห้อง ทีนี้โยมลองเดินออกจากห้องนิดหนึ่งนิดินออกยกเดินไปนะเดินไปตัวเราเนี่ยจะเป็นสิ่งถูกรู้ว่าตัวเราเนี่ยเดินเดินเดินออกจากห้องแล้วแล้วก็พอเดินกลับมามันก็รู้เราอีกว่าเราเดินกลับมาแล้วอา้าวทีนี้เราเดินกลับไปกลับมาเอา้ามันรู้เราหมดเลยเฮ้ <osas> ไอ้ตรงที่รู้เรานั่นแหละนั่นแหละ ไ, ไอ้ธรรมชาตินั่นแหละคือเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมสัจธรรมที่ไม่ปรากฏตัวแต่มันรู้ตัวเราที่กําลังปรากฏได้คื อ, คอมันมันคล้ายๆกับความความรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่เป็นความลึกคิดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะหลวงพ่อผมก็ได้ถูกม <detection S 2> ับเนกา ร, เ, ราเห็นเลยเป็นกา ร, การเห็นเลยมันไม่ใช่ความคิดทีนี้เดี๋ยวนะช้าๆนิดหนึ่งที่ที่หลวงพ่อพูดมายังยังไม่ไม่แจ้งยังไม่เขียนเนาะใช่ไหม พอพอเข้าใจแนวทางไหมเมื่อกี้หมายถึงว่าพอเห็นตัวเองบ้างไหมพอพอเห็นนะครับแต่ว่ามันอธิบายเป็นเป็นคําพูดไม่ไม่ได้อะครับแล้วไม่รู้ออ okay, มันถู ก, ก, กหรือเป่า อ, อะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้อ่าลองทีนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างอันนี้เสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็จะยกตัวอย่างอันนี้ให้ให้เป็นแค่เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นแค่อ่าเอาเหตุการณ์ก็ได้สมมุตินะเหตุการณ์เนี้ยเราเคยอยู่ในที่ชุมชนละที่มีคนเยอะเยอะไหม อ่ะเคยครับในโรงหนังในห้างในกลางถนนเคยเนาะค่ะแล้วพอเป็นอย่างนี้เออมันแยกแยะได้ไหมว่าไอคนว่าคนไหนคือเราและคนไหนไม่ใช่เรามันแยกได้ไหมเออแยกแยกได้ครับผมสมมติว่าพันคนอย่างนี้เนาะครับแล้วเราก็อยู่ในนั้นหนึ่งคนเนี่ยมันจะแยกได้ไหมว่าไอไอไอคือมันในตรงนั้นะมีเราอยู่คนเดียวแต่นอกนั้นไม่ใช่เราแยกได้ไหมแยกได้ครับแยกได้ นี่แหละไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้รู้ธรรมชาติที่มันไม่มีตัวเนี่ยมันรู้อย่างเนี้ยคือมันรู้เราแล้วก็มันมันรู้ไปหมดเลยว่าอ๋อไอ้รุ่นก็อย่างหนึ่งไอ้เราก็คนหนึ่งแล้วแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมันไม่ปรากฏตัวไงว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงแต่มันรู้เราได้ว่าเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆคือมันเห็นตัวเราอ่ะคือมันรู้ตัวเรามันเห็นตัวเราหมายความว่าเราจะออกจากชุมชนมันก็รู้นะพอเราเข้าไปใหม่ มันก็รู้นะว่าเราเข้าไปแล้วคือมันรู้เราอะความหมายครับมันรู้เราแต่แต่ตอนเนี้ใครๆยมเนี่ยคือโยมเีอมพยายามเอาตัวเราไปไปรู้ไอ้ตัวรู้แต่อันนั้นน่ะมันมันมันผิดข้างไงมันมันผิดด้านถ้าถ้าให้เป็นไปตามที่หลวงพ่ออธิบายคือมันรู้เรารู้เราอะไรเรานั่งมันก็รู้เราเดินเมื่อกี้น่ะเดินเข้าออกห้องลองเดินใหม่ก็ได้เนี่ย มันจะรู้เราไหมล่ะว่าเราเดินในห้องแล้วกําลังเดินออกแล้วแล้วก็เอาหันหลังกลับมาแล้วก็เอาคออยู่ในห้องเอาตัวอยู่ข้างนอกอ่ะมันจะรู้เราหมดแล้วนะั่นแหล ะ, ะคิ ด, ค, ดคิดว่าพ อ, พอเข้าใจนะครับหลวงพ่อพ อ, พอเห็นภาพไม่ล่ะเอาโยมขเอาแบบอยุคาประตูก็ได้ตอนนี้อยู่คาประตูไหมกลัวเอาคาประตูนะอ่าแล้วก็ยมเอาผัวหัวเข้ามาในห้องแต่ตัวนี้ยังอยู่นอกห้องคือ รู้ได้ไหมว่าว่าทําตาทําหน้าทําตาแบบนี้อืก็คือรู้สึกตัวอย่างนั้นนี้ยรัก็มันต้องรู้ <c oughs> ตัวดิวถึงบอกว่าถ้าไม่รู้ตัวมันมันไม่เห็นพฤติกรรมแบบนี้ไงครั บ, รบเออแล้วก็โยมทําหลายรอบเนี่ยเอาเดินเดินข้าเดินออกแล้วมันก็จะรู้ตัวเราใช่ไหมอ่าใช่ครับเออรู้ตัวเราแล้วเรานั่งเรายืนเราตีลังกาเรากระโดดเอ้ยเนี่ยรู้เราแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารู้ตัวแล้วก็จะเข้าใจได้เลยว่าไอตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ แต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราอะ่ะมันมีอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนมันไม่ปรากฏตัวไม่ปรากฏร่างไม่ปรากฏหน้าตาคือเป็นความ <c oughs> ไม่มีการปรากฏใดๆอะ่ะแต่พอหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยโยมก็ไปหาไอ้ตัวนั้นอีกแล้วล่ะจ้าดิซี่ใช่ไหมโยมอย่าไป <c oughs> หาตัวรู้นะหาตัวรู้เนี่ยเท่ากับว่าโยมไปหาตัวรู้ <c oughs> หาไม่เจอหรอกเพราะว่าตัวรู้มันไม่ปรากฏตัวมันมีแต่รู้เราว่าเราาไปหามัน คือคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้เมื่อกี้ตอนไปอยู่ระหว่างประตูแล้วก็ชืโง่เข้าชืโงกออกอะฮะอ๋อแว๊บๆแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเออมันเห็นเราเนาะมันเรามันเรามีสติแล้วเรารู้แบบร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีความความรู้ขึ้นมามันอย่างงั้นมันมันถูกต้องไหมฮะมันมันมันมาแนวทางนี้ถูกถูกไหมครับหนุ่มเออยังไม่น่าถูกเพราะยังสงสัยอยู่ถ้าถูกมันจะไม่สงสัย ดั <het> งนี้คุณว่าลองยกตัวอย่างที่ที่เป็นห้องแล้วก็มีสามคนอย่างนั้นก็ได้ค่ะเออเอายอมหนุย่ยเออวั น, อ น, นนั้นของโจดนี้อย่ี้ก็ได้ค่ะสมมติว่าคุณหญิงนะคะเอ่อพอดีต้องนัดเพื่อนนะคะไปไปที่หนึ่งนะคะแล้วในห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องว่างนะคะเพื่อนคุณหญิงเนี่ยชื่อคุณดําคุณแดงคุณเขียวนะคะก็ได้ไปนั่งรอคุณหญิงละนะคะอยู่ข้างในนะคะ คุหนิงก็ไปเจอเพื่อนในนั้นเข้าไปในห้องปุ๊บถามคุณหนิงค่ะว่าในห้องนั้นมีคนทั้งหมดกี่คนคะมีอ่าผมเข้าไปในห้องแล้วก็มีสี่คนครับผมครับอ่าถูกต้องค่ะอันนั้นนะคือใช่แล้วอันนั้นนะเข้ากับว่าเราได้เห็นตัวเราเข้าไปด้วยอืและสิ่งรู้ตรงนั้นนะคะ่ะมันก็รู้ว่าเราเข้ามอืมอืมอืมเข้าใจใช่ไมครัอ่าครับครับเข้าใจครับเข้าใจครับ แต่ว่าคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยพอเราเห็นห้องเนี่ยจำนวนคนอยู่นนั้นสามคนเมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะมองแต่สามคนนั้นเราไม่ได้มองถึงตัวเราอันนี้คือเป็นการยกเปรียบเทียบไปนะคะอ่าถ้าเห็นตรงเนี้ยเราก็นําไปพัฒนาต่อค่ะมันก็จะเห็นเรื่อยๆค่ะเรื่องเรื่องการเห็นหรือว่าการรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะอ่าตรงนี้ไปเป็นต้นทางไปก่อนก็ได้ค่ะอครับพอพอพ่อเข้าใจครับผมลึกซึ้งครับ ขอบคุณครับใช่ยินดีคอ่าเดี๋ยวให้ให้เข้าใจแล้วเนาะลองลองอธิบายความแตกต่างตอนที่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงแล้วพอเข้าใจแล้วมันมันมันเป็นยังไงเออขยายความเพื่อคนอื่นด้วยอ่าเพื่อขยายจงใจก็เอาเอาภาษาแบบคนที่แบบพึ่งพึ่งพึ่งเข้าหาธรรมะแล้วกันนะครับเหมือนรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีมีสติอย่างเงี้ยฮะมันมันก็จะจะเห็นเห็นว่ามีเราอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ถ้าเกิดแบบเหมือนที่คุณหนุนนุยกตัว อ, อย่างมาอย่าเงี้ยคือปกติผมก็จะเห็นแต่สามคนในแดงในดํำในเขียวอย่างนั้นอยู่ฮะคือไม่ไม่เห็นว่าตัวเองเข้ามาในห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าถูกไหยผมก็เข้าใจประมาณอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดกพอเห็นว่ามีมีตัวเราเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก็น่าจะไปเกี่ยวกับที่หลวงพ่อบอกที่ว่าไอ้พวกขันห้าอะไรทำให้เราเป็นทุกข์อะไรพวกเนี้ยไปไปปรุงแต่งขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่รู้ถูกไหม ถูกแล้วแลเห็นถูกเห็นถูกคือครับข้อแตกต่างก็คือว่าผู้ที่ไม่มีสติเนย่อมไม่เห็นตัวเองเห็นแต่สิ่งที่อยู่นอกตัวเองเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่วัตถุอื่นแต่เมื่อมีสติมันก็ทำให้เห็นตัวเองตรงนี้คือความแตกต่างซึ่งเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าระหว่างที่รู้ตัวกับไม่รู้ตัวอเข้าใจเนาะ จไม่รู้ตัวก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่ามีตัวเข้าไปอยู่ในที่ไหนก็ไม่เคยรู้ว่ามีตัวแต่รู้อย่างอื่นหมดเลยนะแต่พอรู้ตัวโอ้โหมันต่างกันลิบเลยนะรู้ตัวคือนอกจากรู้สิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวแล้วกลับมารู้ตัวเองด้วยว่าอ๋อไอตัวเองก็มีอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วไอที่รู้ตัวเนี่ยคําว่าตัวเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสังขารไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นสังขารที่ ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปตายไปเมื่อรู้ตัวแบบนี้ท่านบอกว่าเพียงแต่รู้แล้วก็อย่าได้หลงยึดถือมาเป็นตัวเป็นตวนต ว, ว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะไอ้ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้เพราะมันต้องแตกสลายเน่าเปื่อยผูพังมันตายไงเออมันของตายเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ก็คือสักแต่รู้แล้วก็ให้เพียงปฏิบัติอย่างเนี้คือให้รู้เพียงให้รู้แล้วก็ปัญญามันเกิดแล้วเนี่ยว่าอ๋อ ไอตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่แท้จริงนี่มันเป็นของเกิดตายถ้าเป็นของแท้จริงมันจะต้องเกิดแล้วมันจะต้องไม่ตายแต่ความจริงมันเกิดแล้วมันต้องตายเพราะฉะนั้นต้องทิ้งมันทิ้งมันก็คือว่าไม่ยึดถือแต่ก็มันมีอยู่ก็มีอยู่มันแตกตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะบัดนี้ได้รู้จักสัจจะทำแท้แล้วสัจจะความจริงที่ไม่ตายธรรมที่ไม่ตายก็คือธรรมะที่มารู้สภาพธรรมะที่มารู้ตัวตายนี่แหละ นั่นแหละคือความไม่ตายเพราะฉะนั้นเกิดมาในชาตินี้พบแล้วสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างนี้สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือธรรมชาติรู้ก็คือพบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะได้รู้สัตถึงก็เรียกว่าได้รู้ถึงสัจธรรมที่แท้จริงนะคนนะไม่ใช่เข้าใจกันง่ายๆตรงนี้ต้องยกตัวอย่างพูดแล้วพูดอีกถึงจะเข้าใจ เพาะนั้นผู้ที่เข้าใจได้ก็ถือว่ามีปัญญานะแล้วเอาปัญญาตรงนี้ไปไปเขาเรียกว่าไปฝึกให้มันชานานให้มันรู้ตัวเราอย่างชานานก็หมายถึงว่าเมื่อชำนานแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันไม่ต้องฝึกจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนจะมีความสุขความทุกข์อยู่ที่ตัวเรามันรู้หมดเลยแต่มันก็พ้นไปจากสิ่งนี้ไปแล้วมันพ้นไปจากสังขารเนาะมันก็เป็นความไม่ทุกข์แล้วมันก็ได้แต่รู้แจ้ง เน okay. so ี่ยไอรู้แจ้งแบบนี้เขาเรียกว่ามันจะพ้นทุกถ้ารู้แจ้งคือไม่หลวงเลยก็คือถาวรไปเลยแต่ว่าเริ่มต้นจากปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันทำเป็นเข้าใจแล้วก็ใช้งานเป็นเดี๋ยวมันก็จะถาวรเองค่ะสวัสดีค่ะคุณนำหน้าค่ะขอบคุณครับหลวงพ่อครับขอรับมาสการขุนเจ้าครับอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีครับน้องดีุทุกท่านสวัสดีค่ะพี่นำน้ ก็โอับครั บ, รบก็ตัวอย่างที่รือยกตัว อ, อย่างนี้ผมว่า เ, เป็นตัวอย่างที่ชัด น, นะครับเว่า โ, โ, โดยโดยโด ย, โดยที่มีท่านรุ่พอ่อท่านอาจารขยายให้เนี่ยก็นั่นแหละครับเราถ้าไม่มีสตินี่คงจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่สี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเ ร, เรื่อง<ค>น่าจะ เ, เข้าใจนะคะอใช่ใช่มากเลยค่ะบรษย์เราเราก็จะไปเกาะเกี่วกับสามคนนั่นแหละครับค่ะ เราเองเราก็จะไม่ดูตัวเราัวเราเมื่อไห่ที่เรามีสติเออเราก็จะรูว่าเราเป็นคนดีๆครับโอเป็นตัวอย่างดีๆครับตัอย่างดีๆ้อารดาเลยครับ า, า, า, า, ค, บาบค่ะแล้วก็ ท, ท, ทําอาจาย์ขยายนะคุณพ่อขยายยิ่งก็ <c oughs> จะทำเนี่ยคระบล้วพูดเพิ<อ>่มอำนาจสิ่งใดนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวอาบลูทูธออกดีกว่าได้ค่ะ ขออภัยด้วยค่ะอ่าได้ยินได้ยังครับอ๋อชัดเจนเลยค่ะข อ, อ, ะขอบคุณค่ะูทูกมันอาจจะแบบไกลจะหมดก็ <_ an> โอ้แบบเมื่อกี้ที่ท่านท่านหลวงพ่อพระอาจารย์นได้กล่าวว่าแบบเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะเข้าใจนะครับ <_ an> ก็ครับสัต ร, ริธรรมเนี่ยที่เป็นสภาวะนี้ผมว่าเนาะถ้าท่านใดรรู้ก็ก็ไม่เสียชาติเกิดจริงๆครับสำ <an> หรับผมนะครับก็ครับ ดีครับรู้สึกิตเตครับที่ได้ฟังครับาสาธุนด้วยนะคะพี่แม่นะที่เนี่ยนะเมื่อกี้หลวงพ่อจะพูดอะไรเนาะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านสอนพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายก็คือรู้จักเรื่องทุกข์แล้วก็เรื่องความพ้นทุกข์ก็คืออริยรรสัจสี่นะอันนั้นมันเป็นภาคปริยัติที่เขาตั้งชื่อว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเรามาลองพิจารณาสิ่งที่ ที่เรากําลังอธิบายเนี่ยว่าไอตัวเราเนี่ยตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้นี่นะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันก็คือสังขาร maintained. รูปธรรมนามเพราะมันคือตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะคือขันห้าจะเรียกว่าขันห้าก็ได้จะเรียกว่ารูปนามก็ได้แล้วก็จะเรียกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือสังขารก็ได้แล้วก็จะเรียกอีกอันหนึ่งก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือตัวทุกข์นะ แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวเป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นธรรมชาติรู้เนี่ยจึงเป็นธรรมชาติที่พ้นจากทุกนะเมื่อเป็นธรรมชาติที่พ้นจากทุกขไม่ใช่พ้นอย่างเดียวนะมีความรู้แจ้งด้วยนะว่าทุกขคือสังขารแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยรู้แจ้งในกองสังขารว่ากองสังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง แต่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้รู้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ไม่เป็นสังขารถ้าแยกได้อย่างนี้มันก็จะทําให้รู้จักสองฝั่งอันนี้หลวงพ่อพูดเพื่อให้เข้าใจภาพเนาะฝั่งความทุกข์ก็คือฝั่งที่เกิดแก่เจ็บตายนะส่วนฝั่งที่รู้ทุกข์อนะ่เป็นฝั่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้คือฝั่งพันธิพานฝัน่งโลกุตตะละเป็นฝั่งที่ เป็นอมะตะธาตุเป็นอมะตะธรรมก็คือไม่ทุกตลอดการเพราะว่าไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยไม่ทุกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยมีทุกไม่เคยมีสุขเพราะเป็นธรรมชาติที่พ้นแต่ธรรมชาติสังขารต่างหากที่เกิดแก่ที่วนวนเนาะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดั บ, เ, ดดบนะเมื่อรู้จักสองฝั่งอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยเท่ากับ ว, ว่าเข้าใจธรรมนะเข้าใจธรรมทั้งฝ่ายที่ปรุงแต่งกับธรรมที่ไม่ปรุงแตง่ง แต่เมื่อเข้าใจแล้วมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็จะมีความหลงหลงก็คือว่ามีตัวเราเข้าไปยึดฝั่งที่ไม่ปุงแต่งมีตัวเราเข้าไปยึดฝั่งที่ไม่ทุกข์ก็หมายความว่าเอาตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้อะไรเกิดขึ้นเรารู้เรารู้เรารู้รมันจะเป็นเรารู้อันนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องมีใครไปเป็นเขาหรือว่า ไม่ต้องมีใครไปปรุงแต่งให้เขาเป็นอะไรอีกเขาเป็นทำไมชาติรู้ที่มีอยู่แล้วนิรันดร์อยู่เช่นนั้นนะแต่รู้จากแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วเพราะว่านั่นแหละเขาเรียกว่าพบแล้วว่าทางที่ทุกข์กับความที่มันไม่ทุกข์มันคืออย่างนี้แล้วก็ไปมีความเพียร น, นะความเพียรเนี่ยก็คือให้รู้ตัวเราให้รู้ขาน่าเนี่ยให้มันแจ้งยิ่งขึ้นไปอีก วิธีทำก็คือนี่แหละหลักสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อเดินยืนนั่งนอนก็ให้รู้ตัวเนะาะจะเข้าห้องออกห้องเมื่อกี้เนี่ยทดลองเนี่ยก็ทำไปเดี๋ยวมันก็รู้ทำหน้าแปลกๆยังไงมันก็รู้ชงโง่คอยังไงมันก็รู้เราหมดเลยจะนั่งเข้าห้องน้ำจะนั่งถ่ายท่าไหนยังไงมันรู้เราหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราเนี่ยหาถึงไอ้ตัวขันห้านี่นะจะไปปกปิดมันไม่ได้แล้วจะไปพูดโกหกมันก็รู้เราหมดว่าเราโกหก จะพูดความจริงมันก็รู้หมดว่าเออไอตัวเราพูดความจริงไอเราสงสัยอะไรมันก็รู้ว่าเราสงสัยไอเราเข้าใจยังไงมันก็รู้เราว่าเราเข้าใจมันมีแต่รู้เราเออนี่คือเข้าถึงสัจธรรมเออค่ะ <c oughs> กลับเ ร, เรียนถามหลวงพ่อครับคือสองฝั่งก็คืออย่างโลกโลกสมมุติที่ทําให้เราเกิดทุกข์ใช่ไหมหลวงพ่อแต่ถ้าเป็นวิมุตตินี่เราจะไม่มีทุกข์ใช่ไหมครับหลวงพ่อ ใช่ก็เมื่อกีที่หลวงพ่อพูดนะสองฝั่งคือฝั่งสังขารเนาะเนี่ยฝั่งตัวเราที่เรียกว่าฝั่งตัวเราอ่ะเนาะไอเนี้ยฝั่งเนี้ยเป็นทุกเป็นทุกคือมันไม่จริงๆอ่ะถ้าเข้าใจถูกคือมันไม่ใช่เราทุกหรอกแต่ว่ามันเป็นสังขารซึ่งมันแตกหนับมันแตกสลายด้วยตัวมันเองนะไม่ใช่เราทุกแล้วไอฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นวิมุติเป็นฝั่งที่ไม่ทุกเลยอ้นั่นนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอ่ามันไม่ทุกเลยไม่ทุกไม่สุขไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไร เป็นทุกเป็นทุกก็ไม่ใช่เป็นสุขก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นทุกมันก็อยู่ฝั่งนี้เนาะเป็นสุขมันก็อยู่ฝั่งนี้อ่อแต่อินโ น, นะน่ะมันไม่ได้เป็นทุกขและก็ไม่ได้เป็นสุขคือไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยมันข <c oughs> ้ามคำคำว่าสุขกับทุกไปเลยค่ะ <c oughs> มัน <c oughs> ไม่มี <c oughs> คือจะไม่มี <c oughs> ไม่มีสองตรงใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ค่ะไม่มีไม่เป็นของคู่เลยใช่ได้แล้วก็สิ่งเนี้ยผมว่าก็ สติเท่านั้นนะครที่จะทําให้เราไปเจอสภาวะที่เรียกว่าวิมุตใช่ไหมครัใช่เรื่องต้นจากมีสติใช่เริ่มต้นจากมีสติแล้วก็มีปัญญาภายหลังแล้วก็อครับเราจะได้ไม่เสียชาติเกิดครับอไม่เสียเถอะค้าพี่อย่าน่วันนี้คลิกเลยไหคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าวิมุติกับสมุติเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะคนที่รุ่นหลังๆนี่จะก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็อาจจะ ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เข้าใจสิ่งเนี้ยเข้าไปลึกเข้าไปในใจอะนะครับเพ <Herr lich. S 2> ราะผมว่าโชคดีได้ขับเท้าที่เออผมว่าก็เนี่ยครับได้ได้ได้หลวงพ่อได้พระอาจารย์ที่มาขยายคําง่ายๆเนี่ยผมว่าหรือตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่หลวงพ่อได้ได้ขยาย ห, หรือน้องน้องหนุ่ยได้ได้ผมจริงๆผมเมื่อกี้ไม่สะดวกแต่ผมก็ได้ยินเรื่องสามคนกับเราเป็นคนที่สี่นี่ยผมก็ต้องยกมือขึ้นมาเลยครับเพราะว่าใจใจ ใจผมมันเอามือเอาบ่อให้น um yeah, mm. ิ้ว nice> นี่กดเลยนะครับใจใจเราสาธุค่ะเดียวน่ค่ะทีนี้เรื่องนี้เรื่องที่จะให้เข้าใจเรื่องเนี้ยมันต้องพูดแต่เฉพาะภาวะที่เป็นปัจจุบันขณะที่จะเข้าใจได้นะหมายถึงว่าการที่จะให้เข้าใจสิ่งเนี้ยต้องเอาเป็นปัจจุบันขณะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะมีตัวเราเป็นผู้รู้เป็นผู้จําเห็นไหมมันจะเป็นตัวเราไง แต่ไม่รู้ตัวเราแต่ถ้าพูดเรื่องปัจจุบันเนี่ ย, เ, ยเมื่อกี้ที่มีการถามใช่ไหมผู้ถามเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นปัจจุบันเพิ่งจบไปแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อไอ้ผู้ถามเมื่อกี้เนี่ยจริงๆมันคือสังขารปรุงแต่งมันไม่ใช่เราหรอกแต่ว่าถ้าไม่รู้ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วก็ตัวเราต้องการคําตอบซึ่งไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอันนั้นแหละเขาเรียกว่ามันไปหาปลายทางไง แต่ว่าไอ้ต้นทางที่มันเกิดตัวเราขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นอวิชชาเนี่ยไม่รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้มันก็น่นอ่ะเข้าวงจรปฏิจจสมุปบาทยาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้ที่ต้นมันที่หัวขบวนของมันเลยว่าเออที่มันสงสัยก็ดีนะว่าให้รู้ทันว่าอ๋อมันสงสัยแล้วก็แค่รู้ว่ามันสงสัยนะเพราะมันเป็นสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏแล้วก็ต่อมาเนี่ยความสงสัยก็จะเกิดเกิดดับหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงให้รู้เองว่า แม้กระทั่งความสงสัยแต่เดิมไม่มีบัดนี้มีแล้วก็ต่อไปมันก็คือหมดก็จะรู้เลยว่าความสงสัยมันก็เป็นสังขารมันไม่ใช่เราเป็นผู้สงสัยเห็นไหมมันจะเข้าใจแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราพอสงสัยปับ๊บเราคิดหาคําตอบเนาะการคิดหาคําตอบการคิดความคิดมันก็คือสังขารเหมือนกันแล้วก็คิดแล้วก็ยังไม่รู้อีกอย่างนี้มันก็หลงคิดยาวเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องรู้เร็วรู้ทันรู้ขณะที่มันกําลังปรุงแต่ง ที่ให้เป็นอะไรล่ะตามที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแหละรู้เร็วรู้ทันเพียงแค่รู้อย่างเนี้ยแล้วมันก็จะแสดงความเกิดดับให้เห็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ย<ม>คือต้องรู้แบบนี้คร <c oughs> ับพระอาจารย์ก็เออคือคือเนี่ยฉังขานเนี่ยมันทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไนะมันสิ่งเนี้ยแล้วก็เป็นไปเร็วมากเหมือนผมพูดแต่ละคําผวงพ่อจบไปแล้วแต่ละคํามันก็มันมันเร็วมากครับมันเร็วแล้วก็ ปัจจุบันอยู่ที่ไหนก็จริงๆก็มันเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ล ะ, ะตอนนี้ก็ไม่ใช่จบคำปุ๊บ ก, ก็ไม่ใช่ละใช่ใช่ถูกต้องคือเหมือ น, น, นอาจารย์ผมก็ท่านท่านได้เคยคนบอกจ่กปัจจุบันท่านก็โยนกระดาษขึ้นไปบรรยากาศเลยแล้วท่านท่านถามว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหนในห้องก็พระสาฝพระลังบอกสตกก้ันไปหมดก็อึ้งไปหมดค่ะแล้วนั่นคือความรวดเร็วของปัจจุบันซึ่งผมว่าสิ่งเหล่าเนี้ยถ้าเราถ้าเราเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะ ก็จะเป็นประโยชน์ครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่เสียช้านเกิดนะครับผมอ <c oughs> ย่างอย่างเสียงนะเออเสียงนะสมมติว่ามีการเคาะเนาะเคาะตีละครังทีหนึ่งนะสมมติว่าเคาะเต็งทีหนึ่งแล้วก็พอตีเสร็จก็มีคนถามว่าเอ้ยเสียงอะไรวะเห็นไหมเรามันคนละขณะกันเนาะไอ้ขณะที่ได้ยินเสียงขนาดที่เสียงดังแล้วได้ยินไอ้นั้น่ะขนาดนั้นแหละมันผ่านไปแล้วแต่คําถามบอกว่าเสียงอะไรวะ อา้าวไอ้นี่มันมาทีหลังเลยเนาะแล้วไอ้คนจะตอบบอกเสียงแล้วคะโอ้ยมันโห้มันมันอะไรกันเนี่ยมันคือมันเหมือนกับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันมันเกิดแล้วมันดับมันผ่านไปผ่านไปเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราตอบไปเนี่ยบางทีเราตอบเรื่องที่มันไม่มีแล้วไงก็โอ้ยแต่เพราะนั้นถ้าเราฝึกสติรู้เท่าทันเนี่ยเพียงแต่ว่าก็อยู่เฉยๆอยู่เป็นปกติเพราะว่าการรับรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วไงก็เสียงดังก็ได้ยินเนาะแล้วก็ ใครเดินผ่านมาเอ๊ะหมายถึงว่าอะไรผ่านตาตาก็มองเห็นกลิ่นอะไรมีขึ้นมาก็รู้กลิ่นรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรที่มันสัมผัสลิ้นมันก็มีรู้เนี่ยคือให้มันรู้แบบเนี้ยไม่ต้องไปหามันหรอกมันก็ปรากฏชัดๆอยู่แล้วในปัจจุบันขณะแล้วก็ไม่ต้องถามหาว่ามันคืออะไรอันนี้หมายพูดถึงในในแง่ธรรมะเนาะเออไม่ต้องไปถามหาว่ามันคืออะไรคือมันรู้ไปเสร็จแล้วไงมันรู้ไปเสร็จแล้วแล้วก็ผ่านไปเสร็จแล้วรู้เสร็จแล้วผ่านเสร็จแล้ว เนี่ยแบบนี้มันก็มันก็ปรากฏว่าคือถ้าจะพูดก็คือว่าไม่เห็นไม่เห็นมันเป็นอะไรมันมีอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นเองอะ่ะ